อัตมาเป็นคนชอบอ่านหนังสืองานศพนะตั้งแต่ตั้งแต่ตแตนาตาลัมาแล้วเพราะว่าอันที่หนึ่งเนี่ยเป็นคนชอบหนังสือนะเราขึ้นชื่อว่าหนังสืออะไรก็หนังสือมันมีอะไรให้เราเสมอแม้แต่หนังสืองานศพที่อยากอ่านก็คือประวัติประวัติของผู้ตาย และประการที่สองคือว่าข้อเขียนที่ผู้อื่น เ, นเขียนถึงผู้ตายคือมันทำมาเราได้เห็นถึงในแง่หนึ่งก็คือชีวิตน่ะชีวิตที่มันมีขึ้นมีลงนะไม่แต่คนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยก่อนที่เขาจะประสบความสำเร็จก็ไม่ใช่ง่ายก็ต้องผ่านขาอย่างลาบากแล้วก็ความลมเลียง และเมื่อประสบความสำเร็จชีวิตมีความข้า่งพร้อมมีฐานะมีครอบครัวที่อบอุ่นแต่สุดท้ายก็มาจบตรงที่เจ็บป่วยบางทีเราก็เห็นภาพตัดกันระหว่างพู้ตายตอนที่มีชีวิตอยู่นะไม่ว่าจะยังเป็นหมุ่เป็นสาว แล้วก็ช่วงนี้ก็ประสบความสำเร็จบางคนเป็นนักธุรกิจบางคนเป็นคราชการท่านผู้ใหญ่เสร็จแล้วก็จะมีภาพในห น, นังสือเนี่ยนะภาพถ่ายคือภาพเขาป่วยนะแก่เราก็ดูภาพสองภาพนี่นะภาพสองประเภทเนี่ยมันก็ทำให้ปรงนะว่าคนเราเนี่ยไม่ว่าจะร่ารวยแค่ไหนสุดท้ายมันก็ ก็ลงเอยตรงที่มาสู่ขาลงนะขาลงนี่มันมันเป็นมันเป็นส่วนของชีวิตที่ไม่พ้นมันมีนักการเมืองผู้หนึ่งนะชาวอังกฤษเนี่ยมีชื่อมากจะบอกว่าความสำเร็จของนักการเมืองทุกคนเนี่ยร่วมลงเอยที่ความล้มเหลวนะ ก็คือว่าต้องหลุดจากตำแหน่งนะอาจจะหลุดเพราะคบเทอมหรือหลุดเพราะว่าผูกแย่งชิองอำนาจนะเป็นที่ทุกคนไม่ว่ายิ่งใหญ่แค่ไหนนักพลเรียนนะหรือว่าทัชเชอร์เนี่ยนะแต่จริงๆมันไม่ใช่เพรากตการมือหรอกทุกคนเลยโดยเฉพาะคนที่ก็ประสบความสามเร็จในชีวิตเนะี่ยแต่สุดท้าย ก็ต้องหนีปลายทางไม่พ้นมันเหเลยนะจุดหมายชีวิตกับปลายทางชีวิตนี่มันคนล่ะอันกันมันต่างจาการเดินทางการเดินทางเนี่ยจุดหมายปลายทางนี่อันเดียวกันใช่ไหมเราใช้ว่าจุดหมายปลายทางใช่ไหมเราเดินทางไปเชียงใหม่ไปสุรินทร์เนี่ยนะกรุงเทพจุดหมายปลายทางก็คือเชียงใหม่กรุงเทพแต่สำหรับชีวิตแล้วเนี่ยจุดหมายชีวิตกับปลายทางชีวิตไม่เหมือนกัน ในงสืงานศพเราเห็นทั้งสองอย่างเห็นคนที่บรรลุจุดหมายของชีวิตในความของเขาเช่นความสำเร็จครอบครัวความ พ, พร้อมทางวัตถุเสร็จแล้วเราก็เห็นปลายทางก็คื อ, อาภาพเขาในโรงพยาบาลเจ็บป่วยแล้วก็ภาพโรงศพของเขา หนะังสือลายลายลา ย, ลายเล่มเนี่ยถ้าเป็นหนังสือภาพสีเราจะเห็นภาพหีบศพนะแล้วก็อาจจะมีลูกหลังถ่ายรูปนั่งอยู่ตรงหน้าหีบศพนะพอเห็นล้วมันก็ปร่งนะแล้วมันก็ย้าว่าเออสักวันหนึ่งเราก็ต้องมาถึงตรงนี้แหละไม่ว่าเราจะจะไม่ว่าเราจะต ะ, ะ, ะ, ะเกียร์ตะกายหรือกระเสือกกระสนหรือว่าเออ หรือว่าลื่นไหลนะไปสู่ความสําเร็จอย่างไรก็ตามสุดท้ายมันก็ต้องลงเอยตรงนี้นะและก่อนก่อนที่จะถึงตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีความผันผวนปลีนแปลงชีวิตมากมายหลายคนเนี่ยคนที่เขียนหนังสืองานสุล ด, ดีๆเนี่ยจะเห็นแล้วเนี่ยเราจะ ก, ก็เล่เห็นนะบางคนเนี่ยชื่อก็ตกกระกรรมลําบากนะปากกัดตีนฉีดโดยเพราะคนที่ บางคนมีแม่เนี่ยนะมีแม่ที่มาจากเมืองจีนนะเสื้อพื้นน้อนหมอนใบนะแล้วก็ช่วยก็ต่อสู้นะบางทีมีลูกลูกก็ตายเพราะว่าเพราะว่าไม่มีเงินค่ารักษาพยาบาลยากจน แล้วสุดท้ายชีวิตเขาเนียก็ปรากฏว่าประสบความสุขในที่สุดครอบลูกๆเนี่ยก็พอโตขึ้นก็ช่วยฟันฝ่านะพาแม่พาพ่อเนี่ยซึ่งเคยตกลงกันลำบานเนี่ยให้มามีชีวิตบ้้นปลายที่มีความสุขอันนี้มันก็ได้ได้แงกคิดเหมือนกันนะว่าเออคนเราเนี่ยมันมันไม่ใช่ว่ามันจะทุกข์ไปตลอดนะมันก็มีช่วงโมเมนต์ที่มีความสุข นะอันนี้ที่เราเขาแฮปปี้เอนด i n งก็ได้แต่ถึงแม้ว่าในสุดก็ต้องตายกันทุกคนนะก็ถือว่าช่วงระยะท้ายหรือช่วงปลายชีวิตหรือราบ้านปลายชีวิตเนี่ยก็มีความสุขอันนี้ได้อ่านเออมันก็เห็นเลยนะชื่นเหมือนนิยายมากแล้วบางทีอาตมาอ่านอ่านหนังสืองานสบเนี่ยอ่านประวัติของผู้ตายเนี่ยบางทีมันมันก็ได้อ่านอ่านนิยายนะซึ่งเออมัน มันได้ให้อะไรกับชีวิตของของให้ง่ายที่เกิดยวกับกเวเองมากทีเดียวง่ายที่เกี่ยวชีวิตของตนเองมากทีเดียวอีกอันนึงก็คือได้ที่ชอบอย่างที่พูดมเมื่อกี้คือว่าข้อเขียนที่ผู้ที่มีชีวิต อ, อยู่เนี่ยเขียนถึงผู้ตายตรงนี้เขาจะเล่มันจะไม่ใช่เป็นมันไม่ใช่ประวัตินะมันจะเรียกว่าเป็นอิมเพร หรือ appreciation หนภาษาฝรั่งนะก็จะเรียก impression ก็คือว่าเป็นาความประทับใจหรือว่า appreciation ก็คือความชื่นชมเขาจะเาก็จะพูดถึงบางฉากบางมงุมบางด้านของผู้ป่วยซึ่งสางมืุนไทยก็จะมีในด้านที่ดีดใช่แต่แม้าจะาเป็นด้านที่ดีนะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาดีจริงๆหรืเป็นเพราะว่าพูดอย่างอื่นไม่ได้นะจะพูดไม่ดีก็ไม่ได้หนังสืองานสอบนะแต่ว่ามันก็ได้เห็นนะว่าเออ มันก็ด้เห็นคุณธรรมบางอย่างของเขาควา ม, มเมตตาความเอื้อเฟื่อความถ่องตัวจริงเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอาตมา ร, รู้สึกว่ามันเป็ น, เ ป, นเป็นเหมือนกับเป็นธรรมะแบบนะเป็นธรรมะที่ค ล, คล้ายว่าบรรดาใจให้เราเนี่ยอยากจะน้อมรับซึมซับสิ่งเหล่านี้เข้ามา แล้วขณะเดยวกันมันก็ทำให้เราเกิดความสุขด้นะเวลาเราได้อ่านเรื่องราวดีๆนะอาตมาเนี่ยที่ว่าคง ม, มือกับหลายคนนะเวลาเราได้ได้เห็นเรื่องราวของคนที่เสียสละทางเฟซบุ๊กนะหรือว่าหรือว่าในหนังสือพิมพ์เราจะรู้สึกอิ่มเอมนะคนที่เขายากจน แต่วราค่อยมีความเอื้อเฟือ้อนะหรือเมื่อเร็วๆนี้ได้ได้อ่านได้ได้ดูคนที่ปลอนตัวไปเป็นคนยากจนไปขออาหารตามตามร้านแถวแถวทความบะทมสาราธรรมาศมยนะแม่ค้าไม่ว่ารวยไม่ว่าดีไม่ว่าไม่ว่าร้านใหญ่ร้านเล็กเขาก็ให้นะ แล้วก็สุดท้ายคนที่มาทำตัวเป็นคนไร้บ้านเนี่ยก็เปิดเผยตัวเ่าเข้ามาแค่มามาทดลองดูแล้วก็ถ่ายวิดีโอนะเราเราดูแล้วเนี่ยเราก็เกิดความรู้สึกเกิดความอิ่มเอม็เกิดมีความสุขเวลาจะมาอ่านเรื่องราวที่ผู้คนเนี่ยเขาเขียนผู้ตายเนี่ยบ่อยครั้งก็จะรู้สึกแบบนั้นนะ เดี๋ยวพราะถ้าเขาเขียนดีๆนะเขาเขียนมีรายละเอียดนะไม่ใช่เขียนแบบลอยๆนะมีภาพมีบรรยากาศหรือวมีมีบางขณะเออก็จะมีความสุึแลาถ้ามาอ่านอ่านหนังสืองานศพเนี่ยก็จะมีนี่ก็จะมีความสื่อแบบในแง่หนึ่งมันก็เกิดความสังเวชนะถึงชีวิตที่มันมีขึ้นมีลงแต่ในแง่หนึ่งมันก็ได้รับสิ่งดีๆที่มาช่วยบรรดาลใจ แล้วก็ยิ่งยิ่งเป็นเป็นเรื่องราวคนยิ่งคนเขียนเขาเขียนดีนะโอ้สนุกมากเลยสนเนศเป็นพวกวตมาชอบอ่านประวัติคนอยู่ละไม่ว่าจะเป็นคนที่ตายไปแล้วหรือคนที่ยังมีชีวิตอยู่นะเขาเรียกว่าบบกราฟรีหรือว่าถ้าเป็นงานศพเรียกออร์บิชชอรี่ออบิชชรี่เนี่ยคื อ, เ, อ, อเวลาใครตายเนี่ยเขาก็จะเาก็จะยังมีคนเขียนลงสือพิมพ์นะ ตอนนี้เนี่ยนี่เป็นประโยชน์อการอ่านอ่านอ่านหนังืองานศพแต่ถ้าหากว่ามันจะประโยชน์อย่างหนึ่งนะก็ที่ยเกิดขึ้นก็นคือเมื่อเราจะต้องทำาถึงงานศพนะหรือว่าเราต้องเราอยากจะเขียนถึงผู้ที่จากไปนะอันนี้ก็มีประโยชน์มากสมมติเรา มันได้ประโยชน์ทั้งนง่ายที่ว่าเราได้เตรียมตัวไว้ก่อนที่เขาจะตายหรือว่าเขาได้ตายไปแล้วเราก็ต้องมามามาเขียนมาทำหนังสือให้เขานะในกรณีที่เขายังไม่ไปเนี่ยนะมันก็เป็นการคล้ายๆเป็นการภาวนาแบบหนึ่ง น, นะเพราะว่าเมื่อเราเริ่มที่จะนึกถึงการทำหนังสือสอักสร มันแสงว่าเราได้พินิจเกี่ยวบความตายพอสมควรแม้เขาจะยังอยู่แต่เราก็รู้ว่าสหนึ่งเ็ต้องตายจากไปมันก็ทำให้เราเนี่ยนะเกิดอภมาท ธ, ธรรมนะครับเพมาทําก็คือว่าความไม่ประมาทในชีวิตคนเราเนี่ยนะไม่ว่าเราจะเราจะรักใครแค่ไหนเนี่ยสหนึ่งเ็ต้องตายจากชีวิตของเรา แล้ยกวตายจากโรกนี้ไปก็แล้วกันนะแต่ว่าอาจจะไม่ตายจากจิตใจของเราก็ได้คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ะหนักตรงนี้นะเรมีคนที่รู้จักมากมายในวันนี้เนี่ยแต่ถ้าเราลองนึกซึ่งหน่อยว่าสักวันหนึ่งเนี่ยคนเหล่านี้ก็ต้องจากเราไปมันมีสองอย่างนะไม่จากเป็นก็จากตายหรือถ้าเขาไม่จากเราเราก็เป็นฝ่ายจากเขาคือเราไปก่อน การที่เราลลึกตรงนี้ไว้บ้างเนี่ยนะมันช่วยทำให้เราเตรียมใจนะที่จะพร้อมรับความจริงของชีวิตและบางทีถ้าอีความจริงของชีวิตเนี่ยมันมาแบบเราไม่ทันตั้งตัวหรือมาแบบกระทันหัน ถ้ามาแกระทันหันแต่ถ้าเราตั้งตัวได้เราก็ยังพอทําใจได้อย่างเมื่อเร็วเนี้ยตามาก็ได้ฟังเรื่องราวของของของเด็กคนหนึ่งนะแจกก็เล่นบอลเนี้ยอันนี้สุเกชาว่าเป็นขาแต่ไม่ไม่อตาตมาไม่ได้ยินเป็นขาก็เล่นบอลอยู่นะเสร็จแล้วก็อะไรนะก็พาเพื่อนนะครับเล่นบอลเสร็จก็กิกนกินเบียร์ขวดสองขวดป๋องก็๋องสองก็ฟอง ก็ขับรถเนี่ยพาเพื่อนไปส่งบ้านกลางทางก็ตำรวจก็ามามาเรียบมาดักมาตั้งดา่าแล้วก็ให้ให้ให้พ่นนะเรืเ่ออะไรเป่าแอลกอฮอล์เป่าครั้งแรกเนี่ยก็ร้อยเจ็ดสิบตำรวจไม่พอใจเป่าอีกให้เป่าถึงสี่ครั้งเด็กเป่าครั้งที่สี่เด็กหอวจันจะมันจะไม่ไหว มันม้องใช้ลมเยอะเป็นลมฟุบเลยตํารวจก็ไม่พอจะให้เป่าอีกครั้งที่ห้าเด็กตายเลยตายเลยนะตายเพราะเป่าเนี่ยนะและ้วตํารวจยังคิดว่าเด็กเป็นลมเอาล่างที่ไร้วิญญาณเนี่ยไปใส่ไ ป, เ, ปนเนยคุกหาว่าเดี๋ย ว, เ ด, ย ว, เ, ดยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวเมาเดี๋มันตื่นขึ้นมาเดี๋ยวก็นั่นเองโอ้โหเขาบอกว่าคนที่เป็นแม่ที่ใจสลายมันตายง่ายเหลือเกินนะ ไม่ได้ตายเพราะรถชนนะแต่ตายเพราะว่าเป่าเนี่ยนะคนที่เป็นแม่นี่ก็เป็นเพื่อน ข, ของเพื่อนของเพื่อนตา ม, มาแต่ช็อกเลยคนที่เป็นพ่อนี่ยิ่งกว่านั้นพ่อนี่ทำใจไม่ได้เอาปืนเนี่ยยิงตัวเองแต่ว่าคนที่บ้านช่วยไม่ได้ทันนึกนึกถึงพวกคนที่เป็นแม่นะหรือคนที่เป็นพ่อเนี่ย วันดีคืนดีลูกก็ตายตายแบบมันไม่น่านะไม่มีทางไม่มีโอกาสแม้กระทั่งจะไปเยียอยารักษาแต่แล้วเพื่นก็ตายเพราะอุบัติเหตนะุอันนี้เนี่ยมันมันคือความจริงชิ่นอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้คือว่าความสูญเสียมันเกิดขึ้นเร็วมากแต่ไม่ว่าจะเร็วหรือชา้าสักวันหนึ่งมันก็ต้องเกิดขึ้นจนได้นะ แต้ถ้าเกิดว่าเราได้ได้ได้ได้ไดไดระลึกได้คิดถึงเรื่องนี้บ้างนะมันก็ทำให้เราเนี่ยเหมือนก็เป็นการเตรียมใจที่เราพร้อมจะเผชิญความสูญเสียนะและการทำหนังสืองานศพเนี่ยนะกับกับคนที่ยังไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ตายจากไปนะแต่ว่าเขาอยู่ในเน้อสุดท้ายเนี่ยมันช่วยเนะี่ยช่วยทำให้เราได้ไ ด, ได้ได้ยอมรับ เมื่อวันหนึ่งเขาจะต้องตายจากไปมันไม่ใช่ว่าจะทำใจได้ง่ายนะคนที่ป่วยเสร็จแล้วก็ตายเวลาคนป่วยเนี่ยเราพอจะทำใจได้ระดับหนึ่งแต่คนป่วยคนตายที่มันต่างกนะันเยอะนะนะยึดตัว ง, ง่ายๆเนี่ยในหลวงอะ่ะตอนที่พระองค์เนี่ยประชวนอะนะคนก็ยังยังไม่ได้ไม่ได้เศร้าเสียใจมากเท่าไหร่นะ ทั้งที่ก็รู้วเนี่ยมันครั้งทเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะแต่พอพระองค์เนี่ยสวดสวดเรคนนี่โอ้โหคนนะโพกันใหญ่เลยทั้งที่ก็ก็น่าจะรู้ใช่ไหมว่าอาการพระองค์เนี่ยนะจากข่าวเนี่ออกมาเนี่ยก็คือหนักนะแล้วก็หนักกว่าครั้งที่เราแล้ง แ, แต่คนก็ก็ยังมีความหวังใช่ไหมตราบใดที่คนจะไม่ตายเนี่ยก็ยมีความหวังว่าจะหายหรือมีชีวิตยืนยาวอีกร อ, อยะหนึง แต่พอหมอยืนยันว่าตายแล้วหรือว่าสอดรัคนแล้วนี่นะความรสึกมันเปลี่ยนไปเลยเหมือ น, นกับว่าความหวังมันดับวูบไปเลยคนที่มีแม่หรือพ่อที่กาลังป่วยลูกกาลังป่วยเนี่ยความรู้สึกมันต่างกับตอนที่เขาตายนะแต่ถ้าเกิดว่าตอนที่เขาป่วยเนี่ยนะเราเราก็เราก็ พิจารณาถึงเรื่องความตายของเขาบ้างยอมรับว่าสักวันหนึ่งมันต้องมาถึงมันก็ช่วยทําให้เราเนี่ยเมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยเราทําใจได้ได้ดีขึ้นนะและเมื่อเราจะทำหนังสืองานศพเนี่ยแล้ว เ, เราได้เราแม้เขาจะยังมีชีวิตยอยู่นะแต่ว่าเราได้มามาเริ่มนะตากเตรียมเรื่องนี้จะมาช่วยเป็นการเติมใจอย่างหนึ่งนะมันไม่ใช่เกิดประโยชน์ท่านอย่างเดียวนะเกิดประโยชน์ตนด้วยแล้วทำหนังสืองานศพเนี่ยก็เพื่อประโยชน์ท่านก็คือประโยชน์ผู้ตาย แต่ว่าเราเองก็ได้ได้เหมือนกับว่าได้ภาวนาเพื่อยอมรับความจริงชีวิตอันนี้คือกรณีที่ทำก่อนที่เขาจะเสียจากนี้เมื่อเขาเสียไปแล้วนี่นะมันก็กลายเป็นความจำเป็นแล้วที่ต้องทำถ้ามีเวลาการที่เราได้ได้ได้เขียน ถึงชีวิตของผู้ตายเนี่ยแม้มันจะยากนะมันจะยากอยู่สองประการใหญ่ขึ้นหนึ่งส่วนใหญ่ไม่เคยเขียนนะแล้วก็เมื่อจะเขียนเนี่ยมันก็ทำใจลาบากเพราะว่าขอพึ่งสูญเสียใช่มมันมีความเศร้านะมีความอาลัยนะแล้วก็บางคนเพราะว่า ถึงเวลาจะเขียนเขียนไม่ออกไม่ใด้เขียนมออกไม่ไม่ใช่เป็นเพราะมันไม่มีอารมณ์จะเขียนนะแต่ว่ามันไม่มีข้อมูลเพราะว่าไอ้อที่เคยเคยเคยได้เคยได้ผ่านพวกประสบการณ์แรงต่างเนี่ยเขาเขาไม่ช่ย อ, อยู่เนี่ยนะไม่เคยคิดจะจาไม่เคยคิดจะจ ำ, คคจะจำถึงเวลาเขียนเนี่ยเขียนไม่ออกแล้วจะไปถามใครก็ต้องถามคนที่ยังอยูนะ่หลายคนก็จะมีปัญหาตรงนี้ ว่าถ้าได้เขียนแล้วนายตมาว่านะ ม, มันเป็นการเยียวยานะมันช่วยเยียวยาได้โดยเพราะเยียวยาลนะไเยียวยาจากความโศกเศร้าคือคนเราเนี่ยเวลาเวลาเวลาเรานึกถึงความตายคนที่เราล้างเนี่ยมันจะเต็ไมไปด้วยความโศกเศร้าแต่มันจะช่วยเราได้เยอะถ้าเรานึกถึงความดีของเขามันต่างกันเลยนะเมื่อเรานึกถึงการจากไปหรือการที่เราสูญเสียเนี่ยเราจะทุกข์มาก แต่เมื่อเราคิดถึงความดีของเขาเนี่ยจิตใจมันจะมันจะมันจะเกิดความสุขมันจะเกิดความรู้สึก ด, ดีอย่างเวลาในหลวงสงรคนเนี่ยถ้าคนคิดถึงแต่ว่าพระองค์เนี่ยจากเราไปนิดนิดหลังเนี่ยมันจะเศร้าแต่ถ้าเรานึกถึงความดีนึกถึงพระกรณุณาเกียรตของพระองค์นะมันจะเกิดกําลังใจ จะเกิดความดีที่อยากจะลอยๆตามท่านหรือว่าอยากจะรักษาความดีของพระองค์ให้ให้อยู่ยั่งยืนกับคนที่เรารักที่จากไปเขเหมือนกันนะถ้าเราเลกถึงความดีเขาเนี่ยทําให้เกิดเกิดความสุขความปิติขึนะน้นตรงนี้แหละเทศบาเรียกว่าเป็นการเยียวยาไนดะ้การได้ย้อนกลับไปเราเลืกถึงชีวิตที่มีความสุขในวัยเด็กนะ สมัยที่ผู้ที่จากไปคือพ่อหรือแม่เนี่ยเายั ง, ย, งยังมีกำลังวังชาเลี้ยงดูเราเนี่ยมันก็มันก็ทำให้เกิดความรู้สึกปราบรื้มมีความสุกขอบคุณปิดติดตรงนี้มันช่วยเยียวยาบรรเทาความความเศร้าได้และทำไมยอยากจะให้เราลอง ลองมองนะว่าการทำหนังสืองานศพโดยเว่าการเขียนผู้ตายไม่ว่าจะเขียนในลักษณะของชีวิตประวัติชีวิตหรือว่าลักษณะที่เป็น i ิม r e รสชัเนี่ยมันมันมันสามารถที่จะทำให้เราได้ใไข้ขัวเรื่องชีวิตแล้วก็ทำให้เราได้ได้ได้ซึมซับรับเอา คุณธรรมความดีของผู้ที่จากไปเนี่ยให้มันไม่เพียงแต่ช่วยเยีออยวยาจิตใจเราแต่ช่วยทำให้เรามีความสุขนะและช่วยทำให้เราเนี่ยมีมีความมั่นใจว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้จากจากเราไปเขายังอยู่กับเราสิ่งที่จากไปคือร่างกายซึ่งไม่จีรังนะแต่สิ่งที่เป็นสาระของเขาเนี่ยคือคุณธรรมความดี ซึ่งจะสถิตยอยู่ในใจเราหรือสามารถที่จะเป็นเครื่องกำกับนำพาชึ่ิเราไปในทางที่ถูก ท, ที่ควรหรือจะเป็นเหมือนแสงสว่างก็ได้สิ่งหนึ่งที่อาตมาอยากจะอยากจะให้กำลังใจคือว่าการเขียนการเขียนหนังสื อ, อการเห็นประวัติของของคนที่เราลังเนี่ยแม่หลายคนจะซู้มันยากนะ พ่ไม่เคยเขียนแล้วเพราะว่าอารมณ์มันอาจจะยังไม่ไปเนีแต่ว่าอยากจใจเขียนเมื่อเร็วๆนี้ก็มีเพื่อนเนี่ยที่เข้ามามาอบรมรุ่นแรกเลยเขาเขียนยากมากเขาเขียนยากมากแต่ตาก็แนะนาว่าเขียนไปเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวผิดเขียนไปเขียนเขียนในความทรงจำของเราที่ที่มีต่อแม่ที่ตอนนั้นแม่ยังอยู่นะยังอยู่เขียนไปเลย ไม่ต้องกลัวผิดไม่ต้องกลัวกลัวพลาดขอให้มันได้ห้อยได้ลงมือเขียนแล้วเขียนเรื่องที่เราอยากจะเขียนนะเขียนมาได้แค่สองสามหน้าก็ได้นะแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีเรื่องเขียนไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายก็าเขียนได้นะแล้วเขียนได้ดีด้วยนะอัานมาอ่านแล้วก็ก็ได้ความรู้เยอะเพราะว่าเขาเขียนหนึ่งสมัยวัยเด็ก บ้านเข อ, อยู่แถวแถววรจักรและแถวภูเขาทองซึ่งก็เป็นบริเวณที่ใกล้เขียงบ้านตำ ม, มานะแล้วเขาเล่าว่าตอนตอนเด็กๆ เ, เนี่ยไปเที่ยวงานวัดภูเขาทองยังไงบ้างนะเคยไปไมั้งงานวัดภูเขาทองในเมืองไทยสมัยก่อนเนงไงานวัดที่เด่นสุดเขคืองานวัดภูเขาทองแล้วเขาก็บรรยายได้ดีมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็น เอะอะไรการละเล่นการลเล่นหรือว่าการโชอะไรแ ป, กแปลกๆอะ่ะซึ่งอาตมาอ่านดูมันก็ทําให้อาตมาก็ย้อนกลับไปในวัยเด็กสมัยเมื่อห้สิบปีที่แล้วเพราะอาตมาก็ไปเจอมายากาศนั้นเหมือนกันแล้วเขาทําได้ดีทําได้ดีมากเพราะว่ามันมีรายละเอียดเพราะบ้านเขาอยู่ติดกันไปบอยอาตมาอ่านแล้วก็เพลิดเพลินไปด้วยแล้วมันก็ทําให้ย้อนกลับไปถึง สมัยที่เรียกกูดโอเดย์เนี่ยวันวานเปหวานชื่นนะเฟอนะแล้วก็มันเป็นวรรทุกปฎิสารนะมันเป็นวรรทุกปฎิสารเป็นวรรทุกปฎิสารสังคมเพราะมันไม่เคยมีคนเขียนนะเรื่องว่างานวัดกุหทองเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเขียนได้ดีนะแล้วก็ตมาก็เออต้องขอบคุณเขาที่เขียนแล้วก็ชวนให้เขาที่เราเขียนนิดหน่อยบอกเขียนอีกนะเรื่องงานกุหลาบทองนะ ก็เขียนแล้วก็เขาก็มีความสุขแล้วเนี่ยพอพอแม่เขาเสียเมือม่อเมือม่อเมือ่อต้นเดือน ท, ที่ต้นเดือนเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะเอาบทความเขาเนี่ยไปพิมพ์นะไม่ทราบว่า อ, อาจจะอาจจะได้อ่านกันก็ท่านนี้ก็คงได้อ่านนะ mm hmm. เขาเขาบอกเ ข, เ ข, เขียนยากมากเขาท้อแท้เขาอยากจะเลิกเขียนหลายครั้งแต่ผมบอกเขียนไม่เถอะนะเพราะว่าถ้าได้เขียนแล้วเนี่ยนะมันจะมีประโยชน์มาก นั้นใหม่ๆเนี่ยนะอย่าไปหวังความเพอร์เฟกต์หวังความสมบูรณ์โดยเฉพาะคนที่เขียนใหม่ๆคนท่านแรกย้อนหน้าแรกนี่ยากเสมออัตมาเนี่ยเป็นนักเขียนนะ <S <S ก็ยังรู้สึกเลยนะว่าย่อหน้าแรกเนี่ยมันยากมากแล้วก็หน้าแรกก็จะยากยิ่งยากขึ้อนไปยังแต่เมื่อเขียนไปเขียนไปเนี่ยมันจะค่อยออกมามันจะพรังครูนั่นอย่าท้อแท้<ม>ก็อออก็ออัตมาคิดว่า ให้เราลองพิจารณาตรงนี้นะแล้วก็มันจะช่วยทำให้เราได้เข้าใจความจริงชีวิตนะโดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่าคลายทางชีวิตเนี่ยอ่าถ้าจบลอะอมีอะไรจะถามมนะั้ยถามได้นะคะเวลามาันสั้นนะคะหรือว่ามีคำถามไหนที่ฟังอาจารย์พูดแล้วทั้งคาใจอยากจะถามอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอกาสแบบนี้มีไม่มากค่ะ เชิยค่ะอาเคยอ่านเขาบอกว่าความคิดถึงนะฮะมันมีทั้งสองอารมณ์มีทั้งรักและเศร้าที่อาบอกว่าเวลาเราคถึงความดีใครสักคนมันก็เมือนบความคิดถมันก็น่าจะมีความเศร้าพอมาเจออยด้วยครับมันเราเศร้าเมื่อเราคิดถึงความสูญเสียเราเศร้าเพราะเมื่อเรานึกว่า บรรยากาศอย่างนั้นมวนไม่อย่างั้นมันมันไม่มีแล้วนะแต่ตอนที่เราคิดถึงความดีคิดถึงตอนที่มีความคิดถึงความดีคิดถึงช่วงความอบอุ่นเนี่ยมันให้ความรู้สึกดีนะเราก็ต้องเราเราก็ควรจะพยายามอเออรลึกถึงตรงนี้ให้มันมากมากนะมันจะช่วยทาให้เยียวยาความเศร้าได้ ซือของสติกเกอา์ที่เขาเขียนเล่มสุดท้ายก่อนที่เขาให้คนมาเขียนแล้วก็สัมภาษณ์เขาทีนี้ในหนังสือเล่มนั้นเนี่ยมันจะมีแง่มุมในชีวิตที่แบบมันเป็นเรื่องที่แบบไม่ดีของเขาอนะไรเงี้ยซึ่งเขายอมที่จะเปิดเผย ใ, ในแง่ของวัฒนธรรมบ้านเราเนี่ยถ้าสมมติว่าเ อ, อ่อถ้าเป็นเขาอนุ ญ, ญาตให้เปิดเผยมันก็มีโอกาสที่จะเขียนได้แต่ถ้าสมมติว่า เราเราอยากจะนาเสนอคนใกล้ชิดเราที่เรามองเห็นในมที่มันไม่ค่อยโอเคนค่ะแต่ว่ามันเป็นบทเรียนให้ได้เนะียเราถ้าเผื่อาจากไปแล้วเนะี่ยแล้วเรามาเขียนมันจะผิดเนี่ยในความต้รมาเนี่ยถ้าเราเจีนในความเคารพนะมันไม่มันไม่มีปัญหาเรื่องนี้นะแต่ถึงแม้ว่าถึงแม้ว่า เราเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่เราเป็นคนอ่นที่ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกหลานเลยการถ้าเขียนถ้เขียนบนพื้นฐานความจริงมันก็ไม่ผิดใช่ไม่มเพียแต่ว่าวัฒนธรรมไทยเราจะไม่ไม่ยอมนะ ร, รับนะแต่ถ้าเราแฟร์กับถ้าเราแฟร์กับกับคนตายด้วยตระหนักว่าเขาไม่สามารถจะลุกมาตอบโต้ได้นะตระหนักแล้วเราก็พยายามเขียนจากบนข้อเท็จจริงเนี่ยตระหนักคิดว่ามันก็ยังโอเคนะเพราะว่าที่หนึ่งมันคือความจริงอันที่สองเป็นบทเรียนให้กับ เราได้ในกรณีที่คนที่เราเขียนเราเป็นคนที่เรารักเนี่ยนะเราก็อยากจะชืีอเห็นว่าคนเราก็มีทั้งข้อดีข้อเสียมีทั้งคือต้องการที่จะถ่ายทอดความจริงว่าชีวิตคนเราเนี่ยแท้จริงแล้วมันไม่มัมนไม่ใช่ดำไม่ใช่ขาวมันเป็นสีเทาความจริงเป็นสีเทาชีวิตเป็นสีเทานะมาไม่มีใครที่ขาวล้วนไม่มีใครที่ดำล้วน คนที่ขาวเนี่ยก็มีสีดําเจือปนอยู่ด้วยคนที่ดํามันก็มีขาวเจือปนถ้าเราซื่อตรงต่อความจริงนะแล้วเราต้องการที่จ ะ, ะแล้วเราเลยเรายอมรับเขาได้ว่านะคนที่เรารักเนี่ยเขาก็มีบางด้านที่ที่บกพร่องนะแต่เราก็ยังรักเขาแล้วเราก็ยังยังยั ง, ยง ย่งเคารพเขานะเพราะเขามีความดีมากกว่านะอาตมาคิดว่าเขียนได้และเขียนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นหล่าทาั้งนแง่ที่ว่าที่หนึ่งเนี่ยนะคนรุ่เหเนี่ยให้ที่หนให้นว่าเห็นความจริงชี้ว่าคนเราเนี่ยมันก็มีผิดพลาดได้มีความอ่อนแอแต่มันเลี่ยงได้ ใช่ไหมเป็นบทเรียนว่าเออเราอย่าอย่าซ้ำรอยแบบนั้นอย่าพลาดแบบนั้นบางคนอาจจะประสบความสุขในชีวิตแต่ว่าเล่งการติดทำนานนะหรือว่าไม่ซื่อตรงต่อคู่ครองและทำให้ชีวิตเขาแย่ลงอันนี้คือบทเรียนนะซึ่งถ้าเราถ้าเรา ถ้าเรานำมาถ่ายทอดในะลักษณะที่มันแจกเขาเนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องเตือนใจผู้อ่านว่ า, าพยายามหลีกเลี่ยงให้ถือว่าช่วยเขาเป็นครูเพื่อที่เราจะไม่ได้ไม่ทำผิดพลาดซ้ำซ้อมันมีวิธีเขียนได้เสมอนะ มันอยว่าเราเขียนยังไงแม้กรคนที่เราเขียนเป็นพ่อเป็นแม่เราก็เขียนได้ถ้าเราเขียนด้วยด้วยความเคารพแล้วก็โดยการยอมรับว่าคนเราเนี่ยนะทุกคนเนี่ยมันเท่ากัมันไม่ได้ว่าเท่าเข้มหรือเท่าจางและเราเองก็เหมือนกันเราเขียนเพื่อเตือนใจเราด้วย ก็เราจะไม่พลาดพลั้งเหมือนเขา เามี Ghostwriter คะ่ะเล่าประวัติของเขาก่อนเขาจะตายแล้วเราอ่านแล้วกโ็โหแบบก็รู้สึกดีมากแต่ว่าพอเขาตายไปสักสี่ห้าปีเนี้ยคู่สมรสของเขาก็ออกมาเขียนหนังสือเล่าเรื่องราวในช่วงเวลาที่ดูแลสามีสตราจารย์ทั้งเนี้ยว่ามันเป็นยังไงบ้างซึ่งมันมีเรื่องราวที่แบบคอนทราสต์กับ สั่งสือของสามีที่ตัดจ่าไปมากค่ะเราก็เลยได้เรียนรู้ว่าเออจริงๆรเนี่ยมันมันมีอย่างเงี้ยค่ะมันมีเรื่องราวบางอย่างที่เป็นความทุกข์ของคนที่แบบแลเขาเนี่ยซึ่งมันมาเขียนที่หลังแล้วแบเป็นเป็นเสนออีกแง่มุมหนึงให้เราได้ได้เรียนรู้ว่าเออจริ ง, รงๆแล้วเนี่ยมันมันไม่ได้สวยงามทั้งหมดเค่ะแต่ว่าเป็นคนละคนเขียน ซึ่ ง, งคิดว่านี่มันก็แบบมีความน่าสนใจแบบนึงนะคะ่ะใช่มันก็ทำให้เห็นได้สองด้านมันก็มีประโยชน์เป็นคอลลาเบชัน แ, แต่คิดว่ า, าสิ่งที่เราเขียนเนี่ยคือมั น, ม, นมันไม่ใช่บิโอกราฟีใช่ไหมมันแค่เป็นแค่เป็นบิโอกราฟีมันจะมีความมีความรอบด้าน มันมีเรื่องความพยายามเป็นออบเจกตีใช่ไหมแต่ว่านักสืองานศพเนี่ยมันก็มันก็คงจะไม่ใช่มีความมันจะมีความเป็นจับเจีมากคือเป็นเรื่องของความรู้สึกส่วนตัวเยอะเพราะนั้นมันก็ต้องมันจะจะหาความความแม่นยำถูกต้องเนี่ยจากนักสืองานศพก็คงจะยากแต่ว่าเราก็ ถ้ามันถ้าเราสามารถที่จะซื่อตรงต่อความจริงแล้วก็พยายามเขียนเท่าที่จะเขียนได้โดยคำนึงถึงความรู้สึกของญาติเที่ยงอยู่ผู้เที่ยงอยูอ่มันก็เชื่อว่าสิ่งที่เกิดข้อเขียนก็จะมีประโยชน์นะกับคนอา่านและกับตัวเราด้วย